มีเรื่องสมัยพุทธกาลเรื่องกุฏิพระที่ว่าสร้างอย่างหรูหราเนี่ยนะเกินความยำเป็นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิชกูดเขตนครราชครึเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาครองราชสมบัติอยู่เนี่ยสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายก็ทำกุฏิหลังคาด้วยอ่าก็ มุงไดยาคานะจำมันษาอยู่ที่เชิงเขาอิสิคิลิทีนี้ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อท่านพระธนิยะภูเขาแห่งนี้ชื่ออิสิคิลิมีความหมายว่าภูเขากลืนพระฤาษีเนื่องจากมีตำนานกล่าวขานมาแต่ครั้งดึกดำบรรก่อนพุทธกาลว่ามีพระประเจกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์เที่ยวไปบินธบาตในชนบท หลังปาฏิหารแล้วก็ประชุมกันที่เพิงผาข้างภูเขาอ่าแล้วก็ทําสมาบัติหายตัวแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยที่ภูเขาเนี่ยอ่าทั้งหมดเลยคือมนุษย์ทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นเห็นพระเข้าไปตั้งมากมายแล้วไม่มีใครออกมาอีกเลยก็เลยพูดกันว่าภูเขาภูเขาลูกเนี่ยภูเขากินพระลึกลืนพระฤาษีอ่าไว้ยอย่างนั้นสมัยก่อนนะพระกระรับฤาษีนี่เขาอ่า มองดูคล้ายๆกันะเรียกคล้ายๆกที่นี่พระภิกษุที่ว่าเนี่ยปลูกกุติแล้วก็ทําหลังคาด้วยยาขาจำมรรษาครบสามเดือนแล้วก็พากันรื้อกุติก็จะริกไปหมู่บ้านอื่นส่วนท่านพระธนิยะนี่ยังอยู่ตรงที่นั้นนะไม่ไปนะทั้งหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนทําท่าจะปักหลักลงรากอยู่สถานที่นั้นไปเรื่อยๆจะเป็นด้วยฤทธิ์ของเทวดาเจ้าที่หรือเปล่าไม่ทราบ แต่ปรากฏว่าเมื่อพระธนิยะออกจากกุฏิไปบินทบาตในหมู่บ้านคราวไหนพอกลับมากุฏิโดนรื้อถอนหายไปหมดทั้งหลังแม้ว่าพระธนิยะหาไม้หายามาสร้างกุฏิใหม่พอออกไปบินธบาตในเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมากุฏิก็อันตรทานไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึงสามวันสามครั้งพระธนิยะนี่เป็นลูกช่างปั้นหมอ้อมีฝีมือในทางปั้นดิน ก็มีความคิดที่จะเอาชนะคนหรือเทวดาก็แล้วแต่ที่มาเสกให้กุฏิไม้หายไปตั้งสามครั้งสามผลคราวเนี้ยจะปั้นดินเป็นกุฏิดูสิจะมีใครมารื้อเอาไปไหมพอรื้อเอาไปก็เป็นเสาดินไร้ประโยชน์เอาไปทําอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านก็อุตส่าห์ขยำโคลนทํากุฏิสําเร็จด้วยดินล้วนๆแล้วก็รวบรวมเศษใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ขี้วัวมาเผาอบจนแกล่งเป็นสีแดงทองพอเคาะแล้วมีเสียงกังวานเหมือนเสียงกระดึงคอวัว เป็นกระท่อมหรือว่ากุฏิดินเผาที่งดงามเหลือเกินพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเขากิจกูดพร้อมด้วยภิกษุเป็นนันมากทอดพระเนธเห็นกุฏิงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดงปิกิดคล้ายสีทองก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายนั่นอะไรงดงามน่าดูน่าชมภิกษุก็บอกว่ากุฏิทําได้ดินของพระธนิยะพระเจ้าค่ะพระธนิยะได้ทํากุฏิด้วยดินและเผาให้แกลงแดงเป็นกระท่อมดินเผา แทงกุฏิไม้หลังคาหญ้าที่หายไปพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงลำพึงด้วยชานในดินที่นํามาปั้นเป็นกระท่อมถูกเผาจนร้อนแกล่งเป็นอิฐอย่างเนี้ยในดินนมีสัตว์ใหญ่น้อยน า, นานาประการที่ต้องถูกขยําถูกเผาให้ตายในดินที่ปั้นนั่นทั้งการทํากุฏิด้วยดินล้วนแข็งแรงอย่างนี้เป็นเสมือนเสนาสะนะถาวรวัตถุที่เหล่าภิกษุสงฆ์ผู้จริกไม่จําเป็นจะต้องทํา เป็นกุติที่ไม่สมควรเกินจำเป็นพระพุทธองค์ก็ทรงตริอติเตียนบอกว่าภิกษุทั้งหลายการกระทาของโมคบุรุษเนี่ยไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชิกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำทำไมเขาถึงได้ขยําโคลนทากุติสำเร็จด้วยดินล้วนด้วยตัวเองแล้วความเอ็นดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนหมูสัตว์ไม่ได้มี แก่เจ้าของกุฏินี่เลยพวกเธอจงไปทำลายกุฏินั้ น, นแล้วก็ผู้ที่จะบวชก็มาทีหลังนี่อย่าถึงความเบียดเบียนหมูสัตว์เลยภิกษุไม่ควรทำกุฏิที่สาเร็จด้วยดินล้วนภิกษุได้ทำต้องอบัตทุกกฎก็ปรากฏว่าคราวนี้กุฏิดินเผาพระธนิยะโดนทุบทำลายไปอีก พระธนยะนั่งพักเหนื่อยอยู่ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะในการสร้างกุฏิดินเผาจนเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยมายกยกพอเห็นเหล่าภิกษุอาวุโสจู่โจมเข้าทำลายกุฏิของตัวพิณาตหมดสิ้นก็ตกใจถามด้วยความงุนงงบอกท่านผู้อาวุโสพวกท่านมาทําลายกุฏิของผมเพื่ออะไรครับพอรับรู้ว่าเป็นเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนั้นพระธนยะ ก็เข้าใจว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปแน่ก็ยอมรับเพราะว่าพระนิยะท่านก็เป็นคนว่าง่ายเหมือนกันพุทธประสงค์แห่งพระพุทธเจ้าที่รับสั่งให้ทำลายเสยนาสนะที่ไม่สมควรคราวนี้ก็เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นสัมสัตว์น้อยๆในดินที่ต้องตายลงเป็นจานวนมากแล้วก็เพื่อป้องกันความเป็นผู้มีเสนาสนะมากเพราะฉะนั้น แม้ในบัดนี้ภิกษุรูปใดเป็นประหูสูตรรู้พระวินัยพบเห็นภิกษุรูปอื่นผู้ถือบริขารที่ไม่สมควรแก่ภิกษุจะบริโภคใช้สอยเที่ยวไปอยู่ก็ควรให้เธอตัดหรือทำลายบริขารที่ไม่สมควรนั้นเสียเป็นพระวินัยอันละเอียดประนีตที่จะกำราบกำจัดกิเลสแห่งภิกษุสงฆ์ให้สิ้นไปพระพุทธองค์เป็นพระผู้สุดยอดแห่งอิตริฤ ปฏิหารเพียงกล่าวบูชาว่านะโมตสระปะกวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนะที่แปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองนั้นเพียงน้อมจิตแล้วระลึกอย่างนั้นด้วยศรัทธาบุคคลผู้รำลึกก็จะได้ริษฐาปาฏิหารแห่งความบริสุทธิ์ที่เยี่ยมยอดที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนสิ่งใดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองดูสมัยนั้นพระธนยะยัง นึกไม่ออกถึงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจพระก็ยังคิดต่อมาว่าเมื่อเราออกไปบินทบัติคนมรือกุฏิหลังคา ย, ย่าของเราเสียถึงสามครั้งแม่กุฏิดินล้วนที่เราทำไว้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ทำลายเสียพระธนิยะก็เลยเข้าไปหาเจ้าพนัก ง, งานรักษาไม้บอกความประสงค์ขอไม้เพื่อจะนำไปสร้างกุฏิไม้หลังใหม่ พนักงานรักษาไม้เขาก็บอกว่าเอากระผมมีแต่ไม้ของหลวงเป็นของสงวนนะครับถ้าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้พระราชทานได้ท่านถึงจะขนเอาไปได้นะครับเออเจริญพรไม้เหล่าเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วนะประธานิยะอ่างแก่พนักงานอย่างนั้นเจ้าพนักงานรักษาไม้ก็คิดว่า พระเนี่ยเป็นเชื้อสายพระสกิยบุตรเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติปรมจรรันทร์กล่าวคำสัตย์มีศีลเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วจริงก็เลยให้ไม้ท่อนเล็กท่อนใหญ่บรรทุกเวียนแก่พระธนิยะไปต่อมาไม่นานมหาอมาตยในเมืองเนีไปตรวจราชการที่กรุงราชคลืก็ตรวจตราไม้ที่เจ้าพนักงานรักษาเห็นไม้หายไปก็สอบถามได้ความว่า หายไปเพราะพระเจ้าเป็นดินพระราชทานแก่พระธนิยะมหามาตที่ตรวจราชการก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพ์พิสารกราบทูลบอกว่าเออได้ทราบกล่าวว่าไม้ของหลวงที่สงวนไว้พระองค์พระราชทานแก่พระนิยะไปแล้วเออ่จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าค่ะใครพูดอย่างนั้นเอเจ้าพนักงานรักษาไม้เข้าเป็นคนพูดพระเจ้าค่ะเจะอย่างนั้นไปตามคน รักษาไม้มามหามามัดก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จองจําเจ้าพนักงานรักษาไม้นํามาเข้าเฝ้าพระธนิยะทราบเรื่องก็ตามเจ้าพนักงานรักษาไม้ไปด้วยพระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสถามท่านพระธนิยะว่าเออพระคุณเจ้าทราบว่าไม้ของหลวงที่สงวนไว้เจ้าพนักงานผู้นี้ได้ถวายแก่พระคุณเจ้าโดยพระคุณเจ้ากล่าวว่า เราถวายพระคุณเจ้าแล้วจริงหรือจริงจริงอย่างนั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระคุณเจ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกิจมากบางทีถวายแล้วก็ยังระลึกไม่ได้นึกไม่ออกขอพระคุณเจ้าโปรดเตือนให้เราระลึกได้หน่อย ขอถวายพระพรณพระองค์ทรงระลึกได้ไหมครั้งที่พระองค์เสด็จอครองราชใหม่ๆก็ทรงเปล่งวาจาบอกว่าหญ้าไม้แหละน้ำํำข้าพเจ้าถวายแล้วแก่สมณะแหละพรามทั้งหลายขอสมณะแหละพรามทั้งหลายโปรดใช้สอยเถอะเ อ, อไอ้ที่เราได้กล่าวอย่างนั้นหมายถึงหญ้าไม้แหละน้ําอันใครใครไม่ได้หวงแหนซึ่งมีอยู่ในป่าทั้งหาซึ่งพระคุณเจ้าก็ย่อมทราบดีอยู่ตามความหมาย แต่พระคุณเจ้ากลับนาไม้ที่สงวนไปด้วยเลดในอย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินอย่างเราจะพึงค่าพึงจองจำหรือว่าเนระเทศพระหรือพรามได้อย่างไรนิมนพระคุณเจ้ากลับไปเถอะพระคุณเจ้ารอดตัวเพราะว่าบวชแล้วเป็นพระแล้วแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงจับเลสในพระธนิยะได้ ่ว่ากล่าวแล้วก็นิมนต์กลับไปเสียนับแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนทั้งหลายซึ่งทราบเรื่องพระธนิยะก็พากันกล่าวโทษพระสมณะทั่วไปเปรียบเสมือนปลาในคลองเดียวกันเสียหายทั้งหมดว่าพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ไม่มีความละอายทุศีลพูดเท็จเกือบจะทาให้พนัก ง, งานรักษาไม้ก็ต้องติดคุก ต, ติดตราง ความเป็นสมณะของสมณะเหล่านี้เสื่อมแล้วแม้พระเจ้าแผ่นดินยังโดนพระหลอกได้ทำไมชาวบ้านธรรมดานี่จะโดนหลอกไม่ได้เวลานั้นพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเหตุนี้สอบถามพระธนยะถามว่าธนยะข่าวว่าเธอน่ไปถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไป จริงหรือเปล่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะโมฆบุรุษการกระทํำของเธอนไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชิกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําทําไมเธอถึงได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปล่ะการกระทํำของเธอนไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของประชาชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือว่าคนที่เลื่อมใสแล้วแทนที่เขาจะเลื่อมใสมากขึ้นอ่า ก็ทำให้เสื่อมหมดพระพุทธองค์ทรงเทศนาติเตียนแล้วก็ตรัสถามภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นมหาอมาตย์ผู้พิพากษาเก่าว่าพระเจ้าพิมพิสารจับโจรได้แล้วประหารชีวิตเสบังจองจำไว้บ้างในลระเทศเสบังเพราะทรับประมาณเท่าไหร่ก็ความผิดเพราะรั์บาทหนึ่งบ้างเกินบาทหนึ่งบ้าง น้อยพอบาทนึงก็มีพิสูจซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาก็ทูลตอบอย่างนั้นเมื่อทรงแสดงเทียบเคียงโทษสานุโทษทางโลกให้ที่ประชุมพิสูจน์สงห็นคนธรรมดาซึ่งเป็นโจรทำผิดเพียงเท่านั้นยังมีโทษสูงประการใดแต่เราเหล่าสมณะเล่าน่าจะมีโทษสูงพาโจรธรรมดาเป็นไหนๆคนธรรมดานี่ไม่ควรจะลักทรัพย์คนอื่น ยิ่งเป็นพระเลยยิ่งไม่ควรจะรักทรัพย์ผู้อื่นเป็นอย่างยิ่งอย่าว่าจะทรัพย์ราคาเป็นบาทเลยแม้เพียงเส้นหญ้าเส้นหนึ่งก็ไม่ควรทรงแสดงเทียบให้ทราบเป็นนัยยะอย่างนั้นแล้วก็ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดครั้นแล้วก็ตรัสถึงคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษ อาการที่น่าเลื่อมใสาการไม่สะสมก็บัญญายทุกอย่างให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็รับสั่งบอกว่าภิกษุทั้งหลายเหตุนี้เราจาักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลหน้าด้านหนึ่ง เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง H เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่ง H เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตว์ธรรมหนึ่ง H เพื่อถือตามวินัยหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยกสีขาบทขึ้นแสดงอย่างนี้ ภิกษุได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมยพระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วพึงประหารเสียบ้างจองจําไว้บ้างในประเทศเสียบ้างแล้วบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพนันจะเป็นคนหลงจะเป็นขโมยเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เช่นเดียวกันภิกษุนี้จะเป็นประชิก ปฐมบัญญัติแห่งพระพุทธองค์ข้อสองก็เลยบัญญัติขึ้นในวาระนั้นประชิกนี่เป็นชื่ออาบัติอาบัติหนักที่ภิกษุต้องเขาแล้วขาดจากความเป็นภิกษุทันทีอาบัติหนักขั้นขาดจากความเป็นภิกษุทันทีเนี่ยมีสี่อย่างเสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์และอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนแล้วภิกษุที่ พระาชิกเนี่ยขาดจากความเป็นพภิกษุแล้วไม่อาจจะเข้าร่วมอุโบสถทำสังฆกรรมใดๆกับเหล่าภิกษุสงฆ์ได้ของเขาของหลวงของคนอื่นไม่ควรจะถือเอามาเป็นของตนเลยไม้สงวนป่าสงวนซึ่งพระราชาสงวนไว้เพื่อประโยชน์อันจำเป็นอย่างในเรื่องนี้การที่ภิกษุแกล้งใช้เล่ไปถือเอามาหาสมควรไหมการตัดไม้ในป่า มาสร้างเสนาสนะที่ภิกษุเคยปฏิบัติอยู่เนืองๆถ้าเป็นป่าสงวนก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ชิ ก, กิดสงสงฆ์ถ้าทําเข้าเป็นอาคุศลเป็นประชิกสําหรับภิกษุนสงควรจะปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนอย่าวิปลาสเห็นเป็นตรงข้ามแบบประชาชนผู้โลภลักตัดไม้ทําลายป่าอยู่เนืองๆอาจจะมาเป็นพระจําเป็นจะต้องไปตัดไม้ทําลายป่าเอามาสร้างศาลาสร้างวัดไม่เป็นไรอืม อันนี้ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่สิกิทธของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำนะคำจัดของพระพุทธองค์ยังก้องอยู่แม้กระทั่งในการนีนะ้สมณะควรป้องกันความเป็นผู้มีเสนาสนะมากภิกษุรูปใดเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรรูพระวินยัยพบเห็นภิกษุรูปอื่นทา ในสิ่งที่ไม่สมควรเธอต้องห้ามและทําลายบริขารที่ไม่สมควรนั้นเสียสมณะทั้งหลายพึงปลูกเส ก, กจิตใจของตัวเองให้เหมาะให้สมให้ควรในกิจของสมณะใช้ได้ควรทํานั่นเป็นการปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่ตามพระวินัยของพระพุทธองค์ครับนั่นเป็นเหตุการณ์สําคัญในสมัยพุทธกาล ที่ทำให้เกิดข้อกฎหมายที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับคือประชิกข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่วันนั้นครับ